สวดมนต์หรือแม้แต่ขณะที่เราฟังธรรมอยู่นี่ไปลองสังเกตดูใจของเราเพาบางครั้งเนี่ยาที่เราสวดมนต์ก็ดีหรือว่าฟังธรรมก็ดีความคิดมันก็ จ, จะพาจิตของเราออกไปไหนก็ไม่รู้ซึ่งส่วนใหญ่ก็ หายใจของเราไหลไปสู่อดีตบ้างลอยไปสู่อนาคตบ้างบางทีก็คิดเรื่องงานเรื่องการคิดถึงเรื่องรูปบางทีกาลังเรียนหนังสือพ่อแม่ที่กําลังเจ็บกําลังป่วยลองสังเกตดูเนี่ยมันจะมีอาการแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับใจเราขณะที่เราสวดมนต์ครัที่เราฟังธรรม ถ้าเราสังเกตนะว่าใจมันเผลอคิดไปโน่นคิดไปนี่เนี่ยตอนนั้นก็เรียกว่าเราหลงนะแม้ว่าสิ่งที่หรือเรื่องที่เราคิดนี่อาจจะทําให้เรารู้สึกเพลิดเพลินยินดีหรืออย่างก็่นั้นคือเกิดความวิตกกังวลเกิดความเครียดขึ้นมาไม่ว่าใจฟูหรือใจแฟบขึ้นหรือหลมก็เรียกว่าหลงละนะ พอตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรใส่ใจก็คือสวดมนต์ด้วยความรู้สึกตัวหรือฟังธรรมด้วยใจเต็มร้อยแล้วเราจะลองสังเกตดูนะไม่ว่าใจมันคิดเรื่องอะไรหรือว่าความคิดเรื่องใดที่มันพาใจเราออกไป จากปัจจุบันไม่ว่าจะคิดไปยืดยาวแค่ไหนมันจะมีจุดหนึ่งหนาะที่เรารู้ตัวขึ้นมาว่าหลงไปแล้วรู้ตัวว่าเผลอคิดไปแล้วหรือว่าได้สตนะิมันไม่มีทางที่เราจะคิดไปตระเิดเปิดเปิืองตลอดเวลาที่เราสวดมน หรือว่าคิดไปไม่มีหยุดนะมันจะมีระยะหนึ่งนะที่มันหยุดหยุดคิดหยุดหลงอาจจะเป็นตอนที่อธรรมาบอกว่าออาเตรียมตัวกลับพระแล้วบางทีมันคิดยาวเป็นครึ่งชั่วโมงนะเพอดินครับว่าเอาเตรียมตัวกลับพระมันไอความคิดที่ยืดยาว นะเป็นขบวนรถไฟหลายขบวนเนี่ยมันจะหยุดชะ ง, งักเลยแล้วตอนนั้นแหละนาที่จะเกิดได้สติขึ้นมาลองสังเกตดูนะความคิดเนี่ยไม่ว่าจะคิดไหลลอยไปเรื่องใดก็ตามกี่เรื่องกี่ราวห้าเรื่องสิบเรื่องยี่สิบเรื่องต่อเนื่องกันไปแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะมีจุดที่มันหยุดอาจจะหยุดเอง โดยที่ไม่มีใครมาบอกว่าได้เวลากลับพระแล้วแม้จะไม่มีเสียงที่บอกว่าเึรมตัวกลับพระแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความคิดที่มันยืดยาวเนี่ยมันจะหยุดเองเพราะตอนนั้นเนี่ยเราเกิดรู้ตัวขึ้นมาหรือว่าได้สติขึ้นมา ให้ลองสังเกตดูนั่นเนี่ยไอการได้สติหลังจากที่หลงไปพักหนึ่งมันจะเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไงมันเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองนี่ก็พูดพูดแบบง่ายๆนะเพราะจริงๆมันก็มีเหตุมีปัจจัยนะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรา เราไม่ได้สั่งว่าเอาให้มีสติรู้ตัวมันได้สติขึ้นมาเองแล้วเราสังเกตตรงนี้บ่อยๆตรงนี้บ่อยๆแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆเนี่ยสติของเราก็ทํางานอยู่นะเพราะถ้ามันไม่ทํางานเนี่ยมันก็คงจะคิดไปเรื่อยเปื่อยไม่จบไม่สิน้น ยืดยาเป็นวันแต่ว่าความจริงเราเนี่ยเดีย๋ยวว่าคนปกติธรรมดาเนี่ยมันไม่ยืดยาขานาด น, นั้นหรอกมันไม่ยืดยาเป็นชั่วโมงด้วยซ้ํำนะมันจะสะดุดนะสะดุดเพราะว่าเกิดได้สติขึ้นมาหรือเกิดรู้ขึ้นมาว่าเผลอคิดไปแล้วก็นี้พอได้สตินะ มันก็จะกลับมากลับมาฟังคำบรรยายกลับมาสวดมนต์เหมือนเดิมแล้วมันจะกลับมาแบบรู้เนื้รู้ตัวตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะสังเกตแล้วก็จดจำไว้ว่าเนี่ยพราะว่าความรู้สึกตัวมันเป็นอย่างนี้แหละ บางคนเนี่ยมาปฏิบัติแล้วก็มาหานะว่าความสุกตัวเป็นยังไงที่จริงความสุกตัวมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องหาไม่ต้องเรียกมันมาเองนี้ถ้าเราลองสังเกตเนี่ยแบบนี้เนี่ยนะเราก็จะได้ความรู้นะเกี่ยวกับใจของเราว่า ไอ้ความหลงมันเป็นยังไงแล้วว่าการได้สติเนี่ยมันเป็นยังไงมันหลงได้พักหึงหรือพักใหญ่ก็ตามมันก็จะได้สติขึ้นมาแล้วก็จะกลับมากลับมาสู่ปัจจุบันกลับมาสู่สิ่งที่กำลังทำอยู่ กับมารู้เนื้อรู้ตัวอันนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติแล้วนะนี่คือการปฏิบัติแล้วเป็นการเจริญสติและเราก็จะพบว่าการเจริญสติเนี่ยมันทำได้ตลอดเวลา ไม่ต้องรอเวลำเวลานึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็ทำเลยไม่เหมือนการปฏิบัติอย่างอื่นเป็นการทำสมาธิทำสมาธิไต้องรอรอเวลารอโอกาส จะ ต, ต้องหาสถานที่ที่มันสงบแต่ว่าเจริญสตินี่นึกได้เมื่อไหร่ก็ทำได้เลยไม่ว่ากำลังสวดมนต์ฟังคำบรรยายหรือแม้แต่ขณะนี้เนี่ยที่เสียงฝนตกลงมาเนี่ยเราก็เจริญสติได้นะ เริ่มจากการสังเกตใจของเรานะมันรู้สึกยังไงตอนนี้มันลำคาญที่เสียงฝนมารบกวนการฟังของเราอาจจะเกิดความหงุดหงิดที่มีเสียงฝนรบกวนแล้วเราก็หงุดหงิดไปสักพักหนึ่ง เดี๋ยวก็กลับก็มารู้ตัวนี่เราก็ฝึกได้นะฝึกสติในการรับมือกับเสียงฝนอาจจะฟังคำบรรยายไม่ค่อยต่อเนื่องแล้วเรารู้สึกยังไงรู้สึกตำคาญ ร, รู้สึกไม่พอใจ ก็เห็นมันอันนี้ก็เรียกว่าเรากำลังปฏิบัติอยู่กำลังเจริญสติอยู่ในการเจริญสตินี่มันไม่ได้เร็กน้องนะว่าต้องทำเมื่อไรในโอกาสไหนจะมีเสียงฝนตกลงมาจะมีแดดร้อน ก็ปฏิบัติได้แค่สังเกตใจของเราแล้วก็เห็นอาการของใจตามที่เป็นจริงเห็นแล้วก็กลับมากลับมารู้เนื้อรู้ตัวกลับมามีสติอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำในปัจจุบัน หลายคนเนี่ยเวลาเจริญสติเนี่ยตั้งใจนะตั้งใจมากแล้วก็มักจะบ่นว่าเนี่ยมันฟุ้งมันหลงเยอะเหลือเกินพูดด้วยความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจบางทีก็รู้สึกท้อแท้ ที่มันหลงอยู่เรื่อยหรือที่มันฟุ้งมากที่จริงเนี่ยถ้าหาว่าวางใจเป็นนะมันดีนะที่เรารู้ว่าฟุ้งอะ่ะมันดีนะที่เรารู้ว่าหลงเพระก่อนเนี่ยหลงอ่ะไม่รู้แต่ก่อนฟุ้งอ่ะไม่รู้พอเริ่มมาปฏิบัติ มันเริ่มสังเกตนะว่าหลงเยอะเหลือเกินฟุ้งมากจริงๆนี่ถือว่าดีนะดีที่รู้ว่าหลงดีที่รู้ว่าฟุง้งแสดงว่ามันเริ่มมีความรู้ตัวแล้วเพราะถ้าไม่รู้ตัวเนี่ย หรือไม่มีสตินะจะไม่มีทางรู้เลยนะว่าหลงไม่มีทางรู้เลยนะว่ามันฟุ้งอัน่นี่พอมันหลงมันฟุ้งเนี่ยมันก็จะหลงได้นานแล้วใจก็จะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวหรือกลับมาอยู่กันเน้กันตัว ไม่ว่าคิดเรื่องอะไรดืดยาแค่ไหนสุดท้ายนก็กลับมากลับมารู้สึกตัวอันนี้ก็ดีนะดียังไงดีที่มันกลับมาแม้ว่ามันจะเผลอไหลไปเที่ยวไหลไปอดีตลอยไปอนาคต แต่ว่ามันก็ไปไม่นานแล้วมันก็กลับมามันกลับมาเมื่อไหร่ก็ถือว่าดีส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเห็นความสำคัญนะหรือให้ค่ากับการที่ใจมันกลับมารู้เนอรู้ตัวไปจ้องว่าใจมันจะไหลไปไหนไหม ใจมันจะเผลอไผไปไหนไหัหยหลายคนไปไปดูตรงนี้ไปให้ความสำคัญกับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เลยพายามังคับจิตไม่ให้ไปบังคับจิตให้อยู่กับลมหายใจบังคับจิตให้อยู่กับมือบังคับจิตให้อยู่กับเท้าเพราะไม่อยากให้มันไปและถ้ามันไปหรือไปบ่อย ก็จะรู้สึกว่ามันไม่ดีผิดหวังเพราะว่ารู้สึกว่ามันพุ่งเยอะเหลือเกินมันหลงเยอะเหลือเกินดูข้อความเขียนท่านบอกว่าเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยนัปฏิบัติมันเก่งนะตรงที่กลับมากลับมารู้สึกตัวกลับมารู้เนือรู้ตัว ให้เราวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติตรงที่ว่ามันกลับมาบ่อยๆอย่าไปดูตรงตอนที่มันไปมันไปบ่อยแค่ไหนไม่สำคัญนะขอให้มันกลับมาบ่อยๆหรือกลับมาเร็วๆไปบ่อยๆก็คือพูดง่ายๆคือฟุ้ง แต่นั่นยังไม่ใช่ปัญหาถ้าว่าเราพ่าใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆให้เราวัดความก้าวหน้าตรงนี้ว่ามันกลับมาบ่อยไหมมันกลับมาเร็วไหมกลับมารู้สึกตัวเร็วไหม อย่าไปดูตรงที่ว่ามันไปบ่อยไหมนับปฏิบัติจำนวนมากเนีย่ยไปไปดูตรงนั้นแหละว่ามันไปบ่อยั้มถ้าไปบ่อยแสดงว่าไม่ดีถ้าไปไม่บ่อยไปน้อยๆถือว่าดีแต่ว่าการปฏิบัติแบบแลูกพเทียนเนี่ยนะการที่ใจมันไปบ่อยๆหรือฟุ้งเนี่ยนะบ่อยๆเนี่ยเรื่องธรรมดา ก็สมัยคือว่าอย่าฟุ้งนานอย่าหลงนานที่ไม่หลงนานก็เพราะกลับมาเร็วแต่ก่อนคิดไปเจ็ดปเรื่องถึงรู้ตัวตอนหลังเนี่ยมันกลับมาเร็วคิดไปได้แค่สองสมเรื่องก็รู้ตัวแล้วหรือได้สติแล้วน่ะนั้นคนที่ฟุง้งคนที่รู้สึกว่ามันฟุ้งเยอะเนี่ยที่จริงมันดีนะดีประการแรกคือดีที่รู้ว่าฟุง้ง แลวการที่จะลวาฟุ้งได้เนี่ยมันก็แปลว่าจิตเนี่ยมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวหรือหลุดจากความฟุ้งถ้ามันไม่หลุดจากความฟุ้งเนี่ยมันไม่รู้ตัวหรอกนะว่าฟุ้งถ้ามันไม่หลุดจากความหลงมันไม่รู้หรอกนะว่า เ, เมื่อกี้ทีหลงและการที่หลุดจากความหลงกลับมารู้ตัวเนี่ยก็ยถือว่าดีนี่ดีอย่างที่สองนะดีอย่างแรกคือดีที่ลวาหลง ดีที่สองคือดีที่กลับมากลับมาเร็วกลับมาไวเนี่ยแล้วคนนี้เนี่ยดีที่สามเนี่ยคือว่ายอมรับความหลงยอมรับความฟุง้งอันนี้ยากหน่อยนะเพราะว่าคนนักปฏิบัติเนี่ยพอมันหลงพอมันฟุ้งเนี่ยจะทนไม่ค่อยได้ จะไม่ชอบจะพยายามบังคับจิตไม่ให้หลงบังคับจิตไม่ให้ฟุง้งคือพยายามห้ามความคิดหรือพอมันเพอะพอมันเกิดหลงขึ้นมาก็พยายามไปกดข่มอารมณ์ที่ทําให้หลงความคิดที่ทําให้หลงก็ไปกดข่มมันเอาไว้ หรือไม่ฉะนั้นก็เกิดอาการหงุดหงิดไม่พอใจซึ่งก็เป็นตัวหลงอีกตัวหนึ่งไม่ถ้าเราสามารถที่จะทำใจยอมรับความหลงได้ยอมรับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ยอมรับคือไม่บวนไม่โว ย, โยวาย รับรู้มาด้วยใจที่เป็นกลางอันนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่แต่ทำยากนะเพราะว่านักปฏิบัติเนี่ยจะจะมีความคาดหวังว่ามันต้องไม่ฟุ้งมันต้องไม่หลงมันนจะพยายามบังคับจิตไม่ ห, หลงไม่ให้ฟุ้งแต่ว่ายิ่งทำก็ยิ่งแย่ยิ่งทำก็ยิ่งเครียดเพราะใจเนี่ยมันไม่ยอม ไม่ยอมอยู่ในอำนาจของเราต้องยอมนะยอมที่ใจมันจะเผลอยอมที่ใจมันจะหลงพ่อมเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติหน้าที่ของเราคือว่าแค่ดูมันเห็นมันด้วยใจที่เป็นกลางอันนี้แหละที่ คือความหมายหนึ่งของคำว่ารู้ส่้สรู้สู้คือว่ารู้ด้วยใจที่เป็นกลางแต่ถ้าปฏิบัติเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยยอมให้ความหลงมันเกิดขึ้นจึงพยายามไปดักจ้องแม่เผอ หรือบางครั้งเกิดได้คิดแต่ถ้าเราฝึกยอมรับความหลงอนนี้ตให้มันคิดได้ไม่ห้ามคิดก็ถือว่าการปฏิบัตินี้มีความก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็ลองฝึกนะพุ่งหลง ล้าั่วพุ่งหลงถือว่าดีหลงแล้วกลับมารู้นะักรู้ตัวก็ดีแล้วก็ยอมให้มันหลงได้รีบดีเข้าไปใหญ่อารักธํามโยพุตนนีนะกราบครบ